ยังมีโอกาสไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นพิสุสามมาเนรแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาที่อยู่ในวัดเขาอิธิสุกโตที่หลวงพ่อพูดนั้นยอมมองเห็นภาพวัดเราในมีสะนนามแถมมีสลาอีกด้วย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 ญาติโยมสัมมาปฏิบัติก็หลังไหลามากันมากมาย <c oughs> แต่ทำไมเราไม่มีโต๊ะบริจาคเราไม่เลี่ยลายเราไม่ได้มีกองทุนกองทรัพย์มีแก้วแหวนเงินทองมากมายแต่ทำไมเราอยู่ด้วยกันแบบ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 มีทรัพย์สินเหมือนกันที่เราอยากเลยอาหารการกินก็เยอะไม่มีอดแม้แต่มือเดียวมีแม่ชีได้อนุเคราะห์พระพิษุสงได้อภิบาลให้ให้ทุกคนไม่ว่าจะเป็นมนุษย์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 มาอยู่ภายนอกเราก็อยากมาฟังทามาบวชมาปฏิบัติอยากมาสร้างคุณงามความดีแต่พออยู่แล้วเนี่ยเราก็คิดถึงโรคภายนอกอีกมองตัวเองแล้วก็ถามตัวเองสิว่าชีวิตเราเนี่ยอยู่ตรงไหนบ้างที่มันมีความสุขที่สุดลองถามตัวเองสิในขณะนี้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 รองนึกซิว่ามันเรื่องจริงไอซอกคืบวาเนี่ยมีหรือไม่มีเนี่ยทุกคนได้แต่ปรุงแต่งคิดกันไอคนมีร้อยไร่พันไร่มื่นแสนไร่เนี่ยล้านล้านไร่เนี่ยก็ต้องตายในที่สุดเอาไปไม่ได้ท่านทั้งหลาย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 นเลยถ่ายออกมาเาาหม็นขี้ค่าค่าไมยถึงหมดเวลาที่จะกินของดีอยู่อยู่ในที่ดีๆแล้วมันไม่มีมูลค่ามูลเนี่ยมูลค่าคือมันเป็นเศษอาหารที่คนดีๆเนี่ยเขาไม่เอาแหละความคิดของเราก็คือเอาไปทำปุ๋ยนั่นเอง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 ตอนหลังก็ไม่ต้องพกมาหรอ ก, ทอกรโทรศัพท์โทแต่เช้าเลยนะฮะสายดีหรือสายเสียก็ไม่รู้ก็เป็นมารอย่างหนึ่งเห็นไหมทำให้สะดุดไปเพราะนั้นคนเราเนี่ยชีวิตเผื่อเราอยู่ร่วมกันเนี่ยมีอะไรสักคนหนึ่งเนี่ยรู้สึกมันสะดุดไป ต้องรู้ต้องมีมารยาทกับพี่พี่น้องน้องของเราเราจะเข้ามาทำวัดสดมนเนี่ยเราก็ต้องปิดโทรศัพท์เสียเผื่อคนหนึ่งคนใดมันดังมามันก็สะดุดหมดลองท่านมาบรรยายอย่างหลวงพ่อบ้างก็จะมีความรู้สึกว่ามันสะดุดไป คนที่กำลังทำสมาธิกำลังนิ่งที่ตั้งใจฟังก็บางคนใจมันเบาความคิดมันอ่อนก็ตำหนิติดติ่งได้พอท่านอยู่ในวาระของจิตที่บริสุทธิ์เนี่ยตำหนิคนเนี่ยมันจะมีบาปหลายเท่าตัวมันมีผลเนะวลาเราจะทำความดี ก็มีมารมาขัดนี่คือชีวิตเวลาเราตั้งใจทำดีก็มักจะเจอแต่คนชั่วนี่คือชีวิตที่เราทำไว้ที่เราไปหลอกผีคนอื่นว่าเราจะทำอะไรก็มีคนมาหลอกเหมือนดังผีเลยเพราะนั้นกระจกเนี่ยมันส่องหน้าเราเนี่ยก็เห็นหน้าหน้าตัวเราเอง อย่างที่หลวงพ่อพูดว่าเราลองคิดถึงตัวเองซึ่งว่าทุกอย่างเราก็มีแล้วแต่ใจเรายังทุ่นล่นทุ่ายอยู่เอาละเข้าไปที่ใจละใจเราก็ทุ่นหนทุ่นไลในสิ่งที่เรายึดว่าตัวกูของกูบางคนก็ไม่เคยเห็นตัวเองก็เรียกว่า เห็นแก่ตัวแต่ไม่เคยเห็นตัวเองเห็นใจแต่คนอื่นแต่ไม่เคยมีใครมาเห็นใจเราน่คิดไปอย่างนั้นปัจจุบันเราก็ลองถามตัวเองซึงว่าทุกสิ่งทุกอย่างเราก็มีแล้วรถราบ้านช่องแก้วแหวนเงินทองเราก็ไม่มีความจำเป็นกับเราแล้ว แต่ทำไมเรายังดิ้นหลนแสวงหาอยู่เช้ามาเราก็บินทบาทมีอาหารฉันอยู่แล้วกลางวันมาตอนเพลนเราก็มีอ า, อาหารฉันอยู่แล้วเพียงแต่เราทุ่นล่นทุ่นลายคิดว่าเราจะสึกออกไปและลํำรวยเหมือนก่อ้ามันเป็นคารวาสเลย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 สันดานก็คืออุปนิสัยเดิมอนิสัยเดิมเดิมที่ยึดมั่นถือมั่นอยู่ในกิเลสตัณหารลาาัะเรียกว่ากรรมกรรมก็เรียกว่ากรรมกรรมเพราะแดนเกิดของเราที่เราเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยเพราะว่าเราอยู่ในยึดมั่นถือมั่นตัวกูของกูยึดมั่นถือมั่นว่า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 สมมติว่าเราอยู่ห้องของเราคนเดียวเราอาจจะนั่งภาวนาอย่างในขณะนี้เนี่ยแต่เรานึกถึงพระองค์นั้นองค์นี้มันไม่เกี่ยวกับเราเลยพอไปพูดไปคุยก็เกิดความขัดคอเคืองใจกันเรียกว่ามีวัจจีกรรมก็จะรู้สึกไม่สบายใจก็บางทีก็อาจจะต้องเถียงโต้แยง้งซึ่งกันและกัน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 มันปรุงฮะปุงแต่งไปตามสภาพของกรรมที่ยังรุ่มหลงอยู่ในเสียงตามเสียงรูปรสกินเสียงพดทับพระมองเห็นโน่นก็ปรุงแต่งมองเห็นนี่ก็ปุงแต่งสันดานนี้ไม่เคยหยุดถูกกรรม ม, มันชักจูงไปสู่สภาวะเสียงบ้างตาบ้าง ปากบ้างท้องบ้างกรรมมันก็ชักจูงให้เราเนี่ยไปยินดีในสิ่งที่มันไม่ควรจะยินดีคือข้อห้ามวัดปฏิบัติพอเราจะมานั่งอย่างนี้เนี่ยดูรู้สึกว่ามันง่วงมันทรมานมันเมื่อยมันรวดไปหมดแต่เรานั่งคุยกันเนี่ยสองสามชั่วโมง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 แถมร้องได้อีกด้วยออกอาการเต้นแรงเต้นกาลืมความเป็นพิสุสงสัมเนนแม่ชีไปแต่เราขณะที่เขามาพูดให้เราฟังไม่ได้ลงทุนอะไรเลยนั่งในขณะนี้เนี่ยบังองค์ก็หัวห้อยลงมาเลยบางองค์ก็ปวดเมื่อยโดยเวทนาทุกขถ่ายหนักถ่ายเบาเช้าๆด้วย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 ไอ้เกลือเนี่ยบรรถูกละลายไปเรียกว่าละลายประพฤติกรรมของความชั่วหยาบคือรสรสของกรรมกรรมนี่มันมีรสเปรี้ยวหวานมันเค็มก็เรียกว่าติดอยู่ในรสเดี๋ยววันหลังจะพูดพูดให้ฟังว่าทำไมจึงติดอยู่ในรสน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 ทะเลาะ ก, กันพ่อเรื่องวัวก็มีไปอยู่กับควายหลายๆคนก็ทะเลาะ ก, กันเรื่องควายไม่รู้ว่าควายมันโง่หรือว่าคนมันโง่วัวควายมันก็ไม่มันก็ฐานหญ้าก็มันไปแต่มนุษย์เนี่ยทานทุกสิ่งทุกอย่างปรุงทุกสิ่งทุกอย่างวัวควายมันก็ยินดีในลูกเมียในหญ้าในอาหารแล้วก็กินแล้วก็นอนทั้งมันไปตามธรรมชาติ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 อิเมากที่สุดบงแต่งมากที่สุดช้างตัวใหญ่แค่ไหนยังฆ่าได้ยังเอามาขี่ได้วัวควายเนี่ยที่ค น, เ, นเกียดขี้วัวขี้ควายขี้หมูขี้ไก่เกียดสิงสารสัตว์ขยะขยะแต่งเก็บเอามากินหมดเลยไก่ก็ามากินวัวควายก็ามากินหมู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 เอาละชาาอย่างนี้ค่อยๆถอนสมาธิเพื่อจะได้กวดนามสืบต่อไป